สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เรากลับมาในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์วันนี้พระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่14ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอาหับทรงเล่าทุกสิ่งที่เอลียาทำให้พระนางเยเซเบลฟัง และเล่าถึงการที่เอลียาประหารผู้ทำนายของพระบาอันทั้งหมดด้วยดาบดังนั้นเยเซเบลจึงส่งคนมาแจ้งเอลียาว่าขอให้พระทั้งหลายจัดการกับเราอย่างสาหัสหากภายในพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เรายังไม่ปลิดชีวิตเจ้าเหมือนที่เจ้าทำกับคนของเราเอลียากลัวจึงหนีเอาชีวิตรอดเขาไปยังเบอเชบาในยูดา และทิ้งคนรับใช้ของเขาไว้ที่นั่นส่วนเขาเองเข้าไปในถิ่นกันดารแต่ลำพังร้อนแรมตลอดวันแล้วเขาพบต้นซากต้นหนึ่งจึงนั่งลงใต้ต้นซากนั้นอธิษฐานให้ตัวเองตายเสียเขากล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพรงทนมามากพอแล้วขอทรงเอาชีวิตของข้าพรงไปเถิดข้าพรงคก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบรุษของข้าพรง แล้วเขาก็นอนลงใต้ต้นซากและหลับไปทันใดนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแตะต้องตัวเขาและบอกว่าจงลุกขึ้นและรับประทานอาหารเอลิยาห์มองไป ร, บรอบๆและเห็นว่ามีขนมปังผิงอยู่บนก้อนหิ น, นร้อนๆและมีน้าเหยือกหนึ่งอยู่ข้างศีรษะเขาจึงรับประทานขนมปังดื่มน้ำแล้วล้มตัวลงนอนอีก ทูดขององค์พื่นเจ้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องตัวเขาและบอกว่าจงลุกขึ้นและรับประทานอาหารเพราะการเดินทางนี้เกินกำลังของท่านเอลียาจึงลุกขึ้นรับประทานและดื่มทำให้เขามีกำลังวังชาพอที่จะเดินทางเป็นเวลา40วัน40คืนจนมาถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้าเขาเข้าไปพักแรมค้างคืนในถ้าแห่งหนึ่งที่นั่น แล้วพระวจนะขององค์พระเป็เจ้ามาถึงเขาว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่เอลียาทูลตอบว่าข้าพระองค์กระตือนรุนทุ่มเททํางานเพื่อพระยาเวพระเจ้ า, จาผู้ทรงฤทธิ์ชนอิสราเอลได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์หรือแท่นบูชาของพระองค์สังหารผู้เผยพรวจนะของพระองค์ด้วยดาบเหลือข้าพระองค์เพียงคนเดียวและบัดนี้พวกเขา กำลังพยายามฆ่าฆ่าพระองค์เสียด้วยพระองค์ตรัสว่าจงออกไปยืนต่อหน้าองค์พระพู้เเจ้าบนภูเขาเพราะองค์พระผู้เเจ้ากําลังจะเสด็จผ่านแล้วก็มีลมพายุกล้าพัดประทะภูเขาอย่างรุนแรงทำให้หินแตกเป็นเสียเส่ยงๆต่อหน้าองค์พระพูมเเจ้าแต่องค์พระพุ้เเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในลมนั้น หลังพายุก็เกิดแผ่นดินไหวแต่องค์พระมินเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในแผ่นดินไหวนั้นและภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟลุกแต่องค์พระมินเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในไฟนั้นหลังจากไฟมีเสียงกระซิบอันอ่อนโยนเมื่อเอริยาได้ยินเขาก็ยกเสื้อคลุมขึ้นปิดหน้าและออกไปยืนอยู่ตรงปากรรมมีเสียงหนึ่งกล่าวกับเขาว่า เอลิยาเอ๋ยเจ้ามาทําอะไรอยู่ที่นี่พี่น้องครับเรารู้แล้วนะครับว่ากษัตริย์อาหับนั้นเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดของอิสราเอลฝ่ายเหนืออาหับนั้นถ้าถอยกลับไปดูนะครับก็เป็นลูกของอามารีอามารีก็เป็นกษัตริย์ที่พระพีบันทึกว่าทรงทำบาปยิ่งกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆทุกองคจากนโยบายของอามารี ที่ต้องการเป็นพันธมิตรกับพวกไทระไซดอนซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ตั้งอยู่บนเรียกว่าริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเมืองต่างๆเหล่านั้นครับก็เป็นเมืองที่นับศักการพระบารนนโยบายการสร้างพันธมิตรโดยย้ำสัมพันธภาพที่เกิดจากการแต่งงานพันธมิตรที่เกิดจากการแต่งงานนั้นก็เกิดขึ้นเพราะว่า อามารีก็ให้ลูกชายของตัวเองชื่ออาหับซึ่งในสมัยนั้นเป็นมกุฎราชกุมารอยู่ยังเป็นพรินซ์ยังเป็นเจ้าชายอยู่แต่งงานกับเยเซเบลหญิงชั่วร้ายเป็นบุตรสาวของเอ็ดบาอันซึ่งเป็นเจ้าเมืองไทระไซดอนจึงทําให้การนัสการพระบาอันแพร่หลายในจากฝ่ายเหนือในที่สุดก็ทําให้ราชวงศ์ดาวิดเกือบจะสิ้นสุดลงเลยครับเพราะว่าส่งผลมากมายทีเดียวพี่น้องครับ พันธมิตรจากการแต่งงานซึ่งเป็นนโยบายเพื่อที่ให้ประเทศชาตินั้นอยู่เย็นเป็นสุขก็ส่งผลกับนโยบายทางศาสนาทางความเชื่อความศรัทธานี่คือนโยบายประนีประนอมพี่น้องครับประนีประนอมเพื่อให้ส่งผลทางบวกทางด้านการเมืองเกิดขึ้นทำให้ประเทศชาติจะดูมีความเข้มแข็งมีความเป็นปึกแผ่นและมีพันธมิตรเยอะแยะมากมายแต่นั่น ไม่ใช่เป็นน้าบัตไทยของพระเจ้าพระเยวาเยยไหหัผู้สูงสุดครับเมื่อเป็นเช่นนี้บาปต่างๆที่ผู้นำอิสราเอลทำก็ส่งผลมาจนทั้งถึงบทที่19ซึ่งเช้าวันนี้เราจะมาดูด้วยกันครับว่าเยเซเบลซึ่งเป็นมะเหสีของอาหับและเป็นผู้ที่นมัสการพระบาอา น, นั้นซึ่งเป็นพระแห่งพวกฟินิเซียก็คือเมืองไทระไซดอนนั่นเอง เป็นภาของพวกฟริสเตียซึ่งเรารู้ตั้งแต่ในสมัยของแซมซันซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยพี่น้องครับนางเยซเบลนั้นเป็นลูกของเอทบาอาแห่งไทระและไซดอนเป็นมเหสีที่ทำตัวเหมือนสูสีไทยเฮาครับก็คือเป็นผู้ที่นำกษัตริ์ น้ำกษัตริย์อาหับเป็นเรื่องราวที่รุนแรงและร้ายแรงมากที่อาหับนั้นไม่ได้เป็นผู้นำทางศาสนาแต่ยอมให้เยเซเบลนั้นกลับกลายเป็นผู้นำยอมให้ผู้หญิงที่จะมานำแล้วการที่เยเซเบลนั้นนำพระต่างชาติเข้ามายัางอิสราเอลอาหับนั้นอ่านเกมไม่ออกเพราะเชื่อว่านโยบายการผ ทางการเมืองจากการแต่งงานนั้นก็จะทําให้เข้มแข็งขึ้นเมื่อกษัตริย์อาหับนั้นได้เริ่มต้นที่จะประณีประนอมปรากฏว่าเยเซเบลนั้นก็นําพระบาอันซึ่งเป็นพระท้องถิ่นของไทระไซดอนนั้นได้เข้ามานิสรรเรลอาหับแท้จริงแล้วเป็นผู้ที่ร่วมนรัฐการพระเจ้าพระยาเวในช่วงที่แต่งงานและมีลูกด้วยเพราะเราจะเห็นได้จากลูกชื่อของลูกชาย ของอาหับชื่ออาหัศสยาซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงเฉวยและลูกอีกคนหนึ่งชื่อว่าโยรามแปลว่าพระยาเวทรงได้รับการสรรเสริญจากหลักฐานชื่อของลูกของอาหับนั้นทำให้ชี้ให้เห็นว่าอาหับนั้นไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนจากการนับรการพระเจ้ามาเป็นนับราการพระบาอันครับแต่เขานับราการทั้งคู่แบบผสมผสานกันนี่คือการไตร่ตรอมแบบสุดๆพี่น้องครับ หลังจากนั้นวิหารของพระบาอันก็ถูกสร้างในในสมารีก็คาดกันครับว่าเป็นการตือ้อเป็นการเร้าของเยเซเบลนั่นเองอาหับก็นำวิธีการรับรการพระเจ้าของพระบาอันของชาวฟินิเซียฟินิเซียก็หมายถึงไซไทระและไซดอนนะครับมาจากภรรยาคือเยเซเบล และนําเข้ามาสู่อาณาจักรเหนือโดยสร้างวิหารของพระบาอันในสมาเรียเหมือนกับที่โซโลมอนได้ตั้งพระวิหารของพระเจ้าในเยรูซาเล็มครับภายหลังวิหารของพระต่างชาติและหินศักดิ์สิทธิต์ต่างๆนะครับก็ตั้งขึ้นและสถาปนาขึ้นในแผ่นดินอิสราเอลฝ่ายเหนือนั่นคือเรื่องราวที่น่าเศร้าสลดยิ่งนักเสาเจ้าแม่แอเชราก็เหมือนกันครับก็ปรากฏว่า อาหับนั้นก็ยกระดับการนับศัการพระบาะอันขึ้นมาให้เป็นทางการแน่จากเหนือในตอนต้นของราชการและแถมยังสร้างเมืองเยเรโครขึ้นมาใหม่อีกแต่พี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราดูสาเหตุแล้วก็น่าจะมาจากการประนีประนอมซึ่งผมได้แบ่งปันไปแล้วครับว่าการประนีประนอมกับโลกนั้นไม่ได้นามาซึ่งความเจริญทางด้านจิตวิ ญ, ญญาณ ของประชากรของพระเจ้าเลยในทางกลับกันครับก็นําไปสู่ความตกต่ําของจิตวิญญาณประชากรของพระเจ้าแม้ว่าทางการเมืองนั้นจะมีความมั่นคงก็ตามแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงทอดทิ้งประชากรของพระเจ้าเพราะเหตุที่พวกเขานั้นไม่ได้นมัส ก, การพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสถาปัาแผ่นดินอิสราเอลทั้งเหนือและใต้ผู้ทรงครอบครองและอยู่ กับบรรพชนของอิสราเอลนั้นตั้งแต่อับราฮัมอิสอักและยาโคบและเราจะเห็นว่าก่อนเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับพระนางเยเซเบลหรือนางเยเซเบลนั้นเข็นฆ่าผู้เผยพรชนะผู้เผยพระชนะของพระยาเวครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะทําให้พระบาอันพอใจเพื่อส่งฝนลงมาก็เลยฆ่าผู้เผยพรชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเผยพรชนะ เหล่านี้นะครับเขาอยู่รวมกันเขาเรียกว่าเป็นชุมชนผู้เผยพระนะถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเป็นสถาบันพระคริสตธรรมครับหรือเป็นที่รวมของสภาผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องครับแท้จริงแล้วการกันดานอาหารนั้นเกิดจากพระเจ้าไม่พอพระไถ่ที่ประชากรของพระเจ้าโดยผู้นำก็คืออาหับได้หนี จากทางของพระเจ้านั่นคือที่มาที่ไปของการการดานอาหารแต่สําหรับคนที่อยู่นอกทางของพระเจ้าแล้วเขาไม่เคยคิดจะกลับใจครับเขาก็โทษผู้รับใช้โทษผู้เผยพระชนะและก็และทำการข่มเหงผู้รับใช้ของพระเจ้าอาหับนั้นเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เอเรยาทำที่ภูเขาคาร์เมลให้พระนางเยเซเบลฟังและเล่าว่า เอลียานั้นประหารผู้ทํานายของพระบาอันทั้งหมดด้วยดาบแท้จริงแล้วเอลียานั้นไม่ได้ประหารครับด้วยตัวเองแต่เอลียานั้นให้ประชาชนช่วยกันครับเพราะฉะนั้นเย เ, เซเบลก็เลยส่งคนมาแจ้งเอลียาว่าถ้าพรุ่งนี้แกไม่ตายนะเราก็ไม่ใช่เป็นเย เ, เซเบลและหนีเอาชีวิตรอดพี่น้องครับเอลียาทำไมถึงกลัวครับ เราจะมาต่อกันในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะไม่ประนีประนอมด้วยเหตุผลเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเมืองเรื่องต่างๆที่ไม่ใช่เป็นความเชื่อความศรัทธาที่เรายึดมั่นในองค์พระเวรเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับเพราะเหตุที่ว่าเราบางครั้งเพื่อผลประโยชน์เพื่อความสมานฉันเพื่อความ ร่มเย็นเป็นสุขทำให้เราประณีประนอมความเชื่อซึ่งนำมาถึงความหายนะของครอบครัวชนชาติสังคมชุมชนและกิจจักรขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพ ร, พ, รพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน